อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ371 1้ิภิกษุทําให้เสียสีแล้วนุ่งหม่ม2อภิกษุห่มจีวรที่พินทุกกับปะเสียหายไป3าภิกษุห่มจีวรที่พินทุกข์กับปะไว้แต่เก่าคร่าคร่าสี่ภิกษุห่มจีวรที่ไม่ได้ทําพินทุกข์กับปะไว้แต่เย็บติดกับจีวรที่ทําพินทุกกับปะไว้ 5. ้ภิกษุนุ่งห่มผ้าปะ6กภิกษุนุ่งห่มผ้าทาบ เจ็ดภิกษุชายผ้าดำแปดภิกษุวิกลจริตเก้าภิกษุต้นบัญญัติทุพันณกรณะศิขาบทที่แปดจบ